ภ, ภิกษุณีแล้วก็ภิกษุที่ประจำที่วันนี้และก็มโนธนาบุญกับผู้ที่มาร่วมรายการภาวนาในวันนี้ด้วยนะครับก็รื้สยินดีนะที่ผมจะได้มาร่วมการกระทําวัมดีของทุกท่าน หน้าที่วัดแห่ง น, นี้เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปปอริต้องขอไปเพือเพื่อนๆท่านที่มีบรตรหนึ่ง ย, ยกมือว่หรือกราบผมแต่ผมไม่ได้รับว่าเพราะว่ามือของผมเนี่ยจะพนมมือไม่ได้ได้แตนเพีงแค่แล้วก็น้อมรับ เป็่งความลบมลวในคุณธรรมของทุกท่านผมก็มาจากประเทศไทย ท, ทุกท่านก็คงทราบดีเนาะมาจากประเทศไทยและก็มาในการศึกษานี hmm. ่ผมแล้วก็ที่ยาก็มีคุณคุณเอและก็คุณจุติพูช่วยสา ก็จะมาร่วมร่วมนายครั้งนี้นะร่วมปฏิบัติธรรมมาเป็นเพื่อนป็นนิดอยากนั่นนั่นแบบสบายอยากทำหน้าตาคลิกเลี่ยนะทำสุวบาดาลคลายเมื่เราเป็นเพื่อนเป็นนิดี่ผมมาต า, ายนะแต่มาเห็นลูกข้าแด้าเส้นเครียดหนะ น, น้ามูอช้นก็หมวนี่ตั้งใจเกิดไปเนมนะ่ยมันเปนบรรยก มันร้อมันร้อนถึงมว่าเราอาจจะมาต่างที่ต่างแดนหรือมาคนละบ้านคนละประเทศอันนั้นอย่าอย่าอย่าสงสารรอย่าตกใจเราทั้งหมดเนี่ยเหมือนคนคนเดียวกันที่อยู่นัดนี้เหมือนคนคนเดียวกันเดียจะบอกให้ทราบว่ามันเหมือนคนคนเดียวกันที่ตรงไหน ป้าหมายของเราทุกคนเนี่ยแค่เพื่อสิ่งเดียวทุกคนมีความต้องการเพียงสิ่งเดียวที่เหมือนกันไม่ว่าเราอาจจะอยู่กันตามจินตางแดนคนละชาติคนละภาษาแต่เราก็มีความต้องการเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นทุกทุกคนคนทุกคนเนี่ยต้องการความสุขใช่ไหม ทุกคนต้องการความสุขรักความสุขแล้วก็ไม่ชอบความทุกข์เปลี่ยนความทุกข์เนี่ยมันเป็นเป้าหมายเดียวกัในใใครไม่ต้องการความรักบ้างมีไหมหยิยบมือทีแปลว่าทุกคนเนลย ต้องการความรักต้องการความอบคุณแล้วใครบ้างที่อยากให้มีคนเกลียนอยากให้คนเกียลียนเราไหนยกมือซิอยากให้คนรรนะคทุกคนเนเปลียนเรานอกจากเราต้องการความรักแล้วแล้วเราก็ไม่ต้องการให้คนเปลียดเราทุกคนมีป้าบมาเดียวกันคือรักความสุข เกลียนความทุกขและก็อยากได้ความรักไม่อยากให้ใครเสกเนี่ยคือสิ่งเดียวกันที่ทุกคนต้องถามใช่ไหมเราเราทุกคนทีมีหัวใจดวงเดียวกันมาที่นี่มาเพื่อสี่เดียวมาเพื่อดูอย่างมีความสุขก้าวแลกมาทำหน้าตายที่เพียนเอกบอกทุกความไม่ถุกแหละ ใช่ผมคือคนเดียวหรือไงการที่เราอาจจะแตกต่างกันเนี่ยเพียงแค่เชื้ชาติหรือสิ่งเวดล้อกแล้วก็สนมทเนียบประเพณีแต่ใจเราเนี่ยเดียวอยู่ต้องการความสุขไม่ชอบความทุกข์นะตอนนี้จะมีวิธีการจะทําไงล่ะที่ให้มันมีความสุขเราเกิดมาในโลกเนี่ยมันหนีไม่พ้นหรอก ด้านหนึ่งมีความสุขมีความสมหวังแต่ประหลัางเราก็มีความทุกข์มีความติดหวังสองอย่างสลับกันด้านหนึ่งคือมีความสุขคือมีความสมหวังอีกด้านหนึ่งเราก็ต้องเจอควังคือความติดหวังเนี่ยสองอย่างเนี่ยเราบางทีเราก็เลือกไม่ได้ทุกคนจะต้องเจอเหมือนเหมือกันเนี่ยเขาเรียกว่าโลก แห่งความไม่แน่นอนเนี่ยเราทุกคนอ ย, กอยู่ในโลกความไม่แน่นอนเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์ทุกคนจะต้องเจอแต่ว่าใครจะเจอในด้านไหนมากในด้านไหนหน้อยเห็นไหม <c ười> เราเกิดมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีใครบ้างที่จะเกิดมาเนี่ยมีแต่ความสุขและก็มีใครบ้างที่เกิดมาเนี่ยมีแต่ความทุกข์เพี่ยนได้เท่านั้น มีแม้แต่ยกมือให้หนึ่งคนเพราะนั้นเราในขณะที่เราไม่สามารถเรื่องได้แต่ว่าทุกคนเนี่ยมีความสุขความทุกข์เหมือนกันก็จริงอยู่แต่ว่าบางคนมีไม่เท่ากันบางคนมีความสุขมากแต่เกิดมาในปัจจุบันนะมีความสุขมาบางคนมีความทุกข์มากกว่าบาง บางคนก็มีสองสองระดับเนี่ยพอๆกันก็มีมสามอย่างก็คือระดับแรกบางคนมีความสุขมากกว่าความทุกข์บางคนก็มีความทุกข์มากกว่าความสุขบางคนมีพอๆกันเลยนะสุขตอนเช้าทุกตอนบ่ายสุขตอนเย็นทุกตอนกลางคืนนี่มันไม่เท่ากัน <c oughs> เอาละถ้าองนั้นเนี่ย ในสาที่เราพูดเราเนี่ยมารวมกั น, นมีหัวใจเดียวกันผมจะบอกวิธีการที่จะดำเนินชีวิตที่นี่อย่างมีความสุขและเราสามารถนาสิ่งที่เราอยู่ที่นี่ภายในช่วง7เจ็วันเนี่ยเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปในอ น, นาคบในอนาคตได้ด้วยเพราะฉะนั้นให้เราเริ่มงแต่วันนี้จะอยู่อย่างไร ให้มีความสุขอยู่ที่นี่อย่างไรให้มีความสุขนั่นไนการสนใจบ้านะกมือหนึ่งในการสนใจยกมือให้ทีใจหนึ่โอ้เอาละเดี๋ยวหลังวันนี้อยพูกรู้เรื่องบ้างในการตั้งังตั้งใจกันบ้างเคล็ลับในการอยู่ที่มีความสุขต้องอยู่กับปัจจุบันที่ ปัแต่นี้เป็นตน้นไปให้เราใช้ทีวิตอูที่นี่อยู่กับปัจจุบันกับสิ่งที่เราทำเฉพาะหน้าทั้งหมดเลยในช่วงเวันเนี่ยดูกับปัจจุบันที่นี่กับสิ่งที่มันเฉพาะหนา้าภายในวันนี้วางเรื่องอดีตเรื่องทางบ้านเอาไว้ก่อนเรื่องบ้านเรื่องงานเรื่องครอบครัว เอาไว้ก่อนแล้วก็ลืมเลิกที่จะกังวลถึงเรื่องอนาคตตั้งแต่วันนี้เลิกกังวล น, นะว่าพูุ่นี้จะทําอะไรจะไปไหนอย่าเพิ่งกังวลจะกลับไปบ้านจะทําอะไรอย่าเพิ่งเอาไว้ก่นอนนะเลิกกังวลถึงอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันนี้ก่อนนะใช่ไหมให้เราหวานเรื่องอดีตไว้ทั้งหลาย แล้เลิกกังวลเทนาคทดลอมาอยู่ปัจจุบันอย่างเนี้ศักระยะก่อนเมื่อเราเริ่มอยู่ปัจจุบันกับการฟังเราถึงจะผ่อนคลายเรื่องราวปัญหาต่างๆเนี่ยมันมาจากเรื่องอดีตเรื่องเวนาคทะ้งนั้นเรื่องปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาเดีเพราะฉะนั้นลืมลืมมาดีกว่านั่นหมดเลิมกังวลเทวนาคลองอยู่ปัจจุบันนี้ทุกขณะทุกขณะแล้วเราจะรู้ว่าชีวิเราเนี่ยเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง เนี่ยครัเนี้ยผมลืมเมืองไทยไปผมลืมแล้วผมมาจากเมืองไทยแล้วผมไม่รู้ว่าผมมีผมจะไปไหนนะแต่ปัจจุบันผมรู้ว่าผมกำลังทำอะไร <c oughs> ผมเริ่มมีความสนุกกับการใช้ชีวิตนี่แหละมันสนุกมากสนุกเพราะว่าเลืเมเ ร, เรื่องดีตไปซะทั้งเปล่าเลิกกังวลว่าจะกลับบ้านกลับเมือมงไทยเมื่อไหร่แต่ปัจจุบันเนี้ยคืตอตรงเนี้ยมันสนุกเนี่ยตอนเรียนต้นไปนยผมก็จะสนุกอยู่อย่างนี้เราอยู่ดอกพุทธธ เด็ดว yeah, mm ัน hmm. <laughs> ทีนี้สิ่งหนึ่งที่เราจะประคิเอาใจยู่ปัจจุบันได้นั้นมีสี่อย่างเท่านั้นนะ yeah. <Yeah. S 2> คือต้องเราต้องมีความรู้ตัวรู้ตัวในการใช้ชีวิตีนี้รู้ตัวทุกขณะเวลาเราลั่นเนี่ยเราก็รู้ตัวนะลุกเดินไปไหนเราก็รู้ตัว mm hmm. จะอาบน้ำเราก็รู้ว่าเรากําลังทําอะไรจะทางข้าวก็รู้ว่ากําลังทําอะไรให้รู้ตัวสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเนี่ยตัวนี้แหละให้เรารู้ตัวอยู่อย่างเงี่ยเรารู้ตัวแบบอยู่กับปัจจุบันเนี่ยไอตัวความรู้ตัวเนี่ยรู้ตัวหรือรู้สึกตัวหรือการมีสติตัวเนี้มันสามารถโยงจิตโยงใจละที่อยู่กับปัจจุบันได้เนี่ยเราได้เลิกวิตก รางวัลถึงเวลาพ้นนเลิกที่จะเป็นคิดถึงอดีตให้เรารู้ตัวอยู่ปัจจุบันเ น, นี่ยทําเนี้ยตลอดไปจนกระทั้งเราออกจากที่นไปแล้วไม่ไม่จบแคนั้นเราสามารถเอาสิ่งนี้ไปใช้ในชีวิตประจบวันนะคือเราต้องรู้ตัวทุกขณะที่เรากำลังทำอะไรอยู่นะพอจะทำได้ไหมเพราะว่า โดยธรรมชาติเราเนี่ยเราไม่อยู่ปัจจุบันเราจะคิดคิดเรื่องอดีตเรื อ, อนาคตใจเราไม่ที่ปัจจุบันแม้ว่าเราตั้งใจจะรู้นตัวอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันก็อยู่ได้ไมไ่ได้ไปเดี๋ยวมันก็ไปอนาคตเดี๋ยวก็ไปอดีตที่บ้าน <Okay. S 1> แล้วก็ลืมเนื้อลืมตัวคนทุกคนจะต้องเป็นอย่างนี้จะก็ <c oughs> yeah, เป็นอย่างนี้ แม้ว่าเราตั้งใจอยู่ปัจจุบันแล้วใจมันจะคิดไปอดีตอนาคตไม่เป็นไรฉะ mm hmm. นั้อว่าหลักต้อทอย่างนั้นแต่เรามีวิธีการวิธีการทีร่เสริม <c oughs> วิธีการเทรเสริมในการเสริมสร้างความรู้ตัวให้เราอยู่กับปัจจุบันได้มากยิ่งขึ้น mm hmm. การเสริมสร้างความรู้ตัวนั้นคือการฝึกในรูปแบบการเรินสีแบบเคลื่อนไหว ตามแนวหลวงพ่อเทียนนี่แหละเป็นหลักสําคัญทําให้ชิตใจเราเนี่ยลงสู่ปัจจุบันได้ยากเราต้องมีการฝึกในรูปแบบฝึกในรูปแบบนั้นเนี่เดี๋ยวพระคุณเจ้าจะแนะนําให้พวกเราเราจะมีการฝึกในรูปแบบในการยกมือซ้างจังหวะสี่จังหวะการเดินจงกรมอันนี้ถส่วนเป็นรูปแบบตามปฏิบัต แต่อไปเราจะเดินไปไหนมาไหนจะทําอะไรเราเขามีความผู้รู้ตัวสะสมไปเรื่อยําให้จิตเราเนี่ยมันมีสติควบคุมมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นถ้าเราขยันฝึกอย่างนี้ฝึกบ่อยๆเข้าขั้นต่อไปนะถ้าเราฝึกอย่างนี้บ่อยๆต่อไปเรื่อยๆ น, นะจิตเราเนี่ยมันจะไม่ค่อยทิดอะไรมากมายเพราะความคิดที่มันปรุงแต่งทาให้เราลืมไ่ลืมตัว แล้วก็พูดออกไปตามความคิดเนี่ยตรง น, นี้แหละเขาเรียกเราไม่รู้ตัวเราอยตัวพราเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราต้องปิดวาจาปิดวาจามันปิดวาจาไม่ได้เพราะว่าถูกความคิดถูกคว า, คว า, คาวมวาคิดอยากให้พูดอยากให้พูดระเบียบไม่ให้ปิดแต่ความคิดอยากให้พูดถ้าเรามมีสติเนี่ยเราห้ามใจไม่อยู่ ถ้าใใอยากจะอยู่น้ำเ็มเครียดอิดอยู่ข้างในมันอยากจะพูดพูดไม่ได้ก็เขียนก็มีแต่ว่านัา้นการเปิดความรู้ตัวอย่างนี้เนี่ยมันท้ายปิดวาจาได้ง่ายแบบไม่เครียดการปิดวาจาทนให้เราเนี่ยจิตใจไม่ฟุ้งซ่านจะปิดวาจาเพื่อใจไม่ฟุ้งซ่านนั้ะต้องมีความรู้ตัวอยู่ในปัจจุบันนะนะเรา เราเห็นมีแบบมีการปฏิบัติเนี่ยอย่าเค่งเครียด อ, อยากกลัวว่าเราทำไม่ได้อย่ากไปคิดก่อนว่าเราทําไม่ได้อย่าไปคิดอย่างนั้นถ้าคิดอย่างนั้นเนี่ยเราก็จะเท้อแท้ไม่อยากทำให้เราคิดว่าอ๋อเราทําได้เราทําไ ด, าได้ไม่ยากไม่ยากไม่ต้องปวดตลอดระยะเวลาที่เราตรงนีเนี่ยผมยินดีที่จะเป็นการยางนี้จะช่วยทำให้เราเนี่ยคนแบบง่ายได้นี่ยาจากได้ ไปหาได้ใช yeah. มันไม่มีาการยากมันยากเพราะเราไม่ได้ไปฝึกยังไม่ได้ฝึกเราลองฝึก ด, ดูนะเริ่มจากวันนี้ไปลองฝึก ด, ดูแล้วผมก็ทีนี้เป็นการยานพิษคอยแนะนําให้แล้วก็ถ้ามีความสนใจแล้วก็ถามผู้หลีกถูกแล้วก็พามาแล้วก็มาพบกันมาคุยกันว่าเราจะทีนี่ด้วยความรู้ตัวเนี่ยเราจะทําใจไว้อย่าง